บทที่สิบปฐมวัยของอโศกรุ่งอรุณวันหนึ่งขณะที่อาทิตย์สีแดงเข้มโผล่ขึ้นจากขอบฟ้าทำลายความมืดให้จางหายแผ่รัศมีไปทั่วทุกทิศ เสียงดนตรีไพเราะในพระราชวังอันโออาแห่งนครปาตาลีบุตรก็ดังขึ้นเป็นจังหวะนุ่มนวลเหมือนเลงในงานบูชาเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าพินทุสารและพระบรมวงศานุวงศ์อมสาธมนตรีทั้งหลายมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสทักถามกันด้วยความเบิกบานใจเป็นที่ยิ่งเขาต่างแสดงความยินดีต่อพระเจ้าพินทุสาร ที่มีพระโอรสเพิ่มขึ้นอีกพระองค์หนึ่งจากพระนางวิมังสาเทวีแม้จะล่วงเลยเวลารุ่งอรุณมานานแล้วแต่แสงแดดก็หาแผดกล้าเหมือนวันก่อนๆไม่คงมองดูเป็นร่มเงาไปหมดทั่วนครปรตาตลีบุตรเหมือนนำเอาร่มคันใหญ่มากั้นกลางไว้ต้นไม้ทุกต้นยืนสงบนิ่งมีอาการเหมือนหนึ่งว่าแสดงคารวะ แกพระราชกุมารที่อุบัติมาสู่โลกนับเพลานั้นบรรยากาศช่างสดชื่นรื่นรมอะไรเช่นนั้นจะรู้สึกว่าลมพัดสักนิดหนึ่งก็ไม่มีแต่ไม่มีร้อนไม่หนาวไม่มีแดดแต่ก็ไม่มืดเกล็ดเมฆสีขาวสลับสีครามแก่แผ่กระจายทั่วท้องฟ้า นกเล็กๆบินว่อนจับเล่นกันเป็นกลุ่มท่ามกลางท้องนภาอากาศที่อยู่บนกิ่งไม้ก็ส่งเสียงร้องเรียกหากันแล้วบินไปเกาะต้นโน้นต้นนี้อย่างร่าเริงปิงฆละวัตสาชิวะพรามปุโรหิตของพระเจ้าพินทุษารเดินออกมามองดูท้องฟ้าคำนวณเวลาเลิกดูอย่างถี่ทั่วแล้วรำพึงอยู่แต่ในใจว่าพระชจอรสพระองค์นี้ มีความสำคัญไม่น้อยเลยแต่เราจำเป็นต้องเก็บนิ่งไว้ก่อนพระราชามีมเหสีมากและพระโอรสมากต่างคนต่างก็อยากให้โอรสของตนสืบสันตติวงศ์ด้วยกันทั้งสิน้นอีกมุมหนึ่งภายในห้องบงรรทมซึ่งมีพระวิสูตรสีแดงกั้นไว้สตรีหนึ่งมีอาการเหนื่อยอ่อนนอนตะแคงซ้ายหันหน้ามาทางประตู มองดูวิสุทธ์สีเข้มแล้วก้มทอดตาลงมองบุตรน้อยพรางเอามือแตะสีษะของเด็กเบาๆแล้วรำพึงเสียงแผ่วๆว่าจะอาภัพเหมือนแม่ไหมหนอแลแล้วพระนางก็จินตนาการถอยหลังไปถึงอดีตเมื่ออยู่ในวัยสาวอบอุ่นอยู่ในอ้อมอกของมารดาบิดานางมีความงามเป็นเลิศกว่าสตรีใดในหมู่บ้านเดียวกัน พระราชาทำนายว่านางจะได้เป็นมเหสีของพระราชะโอรสองหนึ่งในชมพูทวีปปิดาของนางจึงนำนางมาสู่นครปาตาลีบุตรถวายให้เป็นบาทบริจาริกาของพระเจ้าพินทุสารเพราะความงามของนางนั่นเองทำให้พระสนมกํานันอื่นๆริษยาจึงหาอุบายให้นางไปเป็นการบกเพื่อให้อยู่ห่างพระราชาเสีย ต่อมาพระเจ้าพินทุสารทรงทราบจึงให้ตั้งนางไว้ในตำแหน่งมเหสีเท่าสตรีอื่นๆเมื่อหวนระลึกถึงคราวเมื่อเป็นช่างกระบอกนางรู้สึกเศร้าใจสุดจะประมาณได้บิดาของนางประสงค์ให้ลูกเป็นมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินแต่นางถูกเสื่อมใสให้เป็นช่างแต่งผมแม้ต่อมาก็ได้ดํารงตําแหน่งเป็นมเหสีแล้วก็มีเรื่องเดือดร้อนไม่เว้นวาย นิ่หรือเกียรตินี่หรือความสุขในราชสำนักมันมีแต่เรื่องแกงแย่งแข่งดีใส่ร้ายป้ายสีกันไม่หยุดยอนโดยปกติสตรีส่วนใหญ่ชอบนินทาอยู่แล้วเมื่อมาอยู่ในฐานะที่ต้องแข่งดีแก่งแย่งความโปรดปรานจากพระราชสวามีเข้าอีกด้วยลองตรองดูเถิดว่าเรื่องควรจะเป็นประการใดแต่พระนางก็ทน ทนเพราะไหนๆก็ชื่อว่าเป็นมเหสีองค์หนึ่งของพระเจ้าพินทุสารแล้วมีหลายครั้งที่พระนางถูกใส่ความจนเกือบจะเสียชื่อเสียงสกุลวงแต่ก็หลุดรอดไปได้เพราะความหนักแน่นรอบคอบและการตั้งอยู่ในธรรมของพระเจ้าพินทุสารนึกมาถึงตอนนี้แล้วก็ทําให้น้ําพระเนตรเอิบทนขึ้นมาเพราะความปราบปลื้มและความเศร้ารคนกัน เสียงร้องของราชกุมาร น, น้อยดังขึ้นผู้เป็นมารดาหยุดคิดหันมาสนใจบุตรน้อยปรอบโยนให้ลูกหยุดร้องแล้วกล่าวว่าต่อไปเบื้องหน้าแม่จะตั้งชื่อเจ้าว่าอาโศกนะลูกนะเพื่อจะได้ไม่ต้องโศกเหมือนแม่ทันทีที่คำว่าอาโศกหลุดจากโอดของมารดาเจ้าชายน้อยก็หยุดร้องและนอนนิ่ง เจ้าชายอโศกเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยความเอาพระไทยใสของพระมารดาพระนางวิมังสาเทวีต่อมามีพระอนุชาเกิดตามมาอีกพระองค์หนึ่งคือเจ้าชายวีตาโศผู้ประจสจากความโศซึ่งมีความหมายคล้ายคลึงกันเจ้าชายอโศกมีพระรูปไม่งามพระชวีค่อนข้างดำแต่ดูท่าทางสง่าหน้ากเกรงขาม มีพระพารณมัยสมบูรณ์บึกบืนแข็งแรงไม่ค่อยรู้จักคำว่าเจ็บป่วยทรงมีพระอธัธยาศยยดีไม่เคยรังแกใครก่อนแต่จะไม่ยอมให้ใครรังแกตนเปล่าเปล่าเช่นเดียวกันแม้พระจันษาจะน้อยกว่าและองค์เล็กกว่าถ้าราชกุมารอื่นรังแกจะทรงต่อสู้อย่างทอรหด ไม่เคยร้องไห้ในขณะต้องต่อสู้กับพระกุมารอื่นๆถ้าสู้ไม่ได้ด้วยกำลังก็จะทรงคว้าเอาท่อนไม้หรืออุปกรณ์การประหารอย่างอื่นเข้าช่วยเหลือจนเป็นที่เกรงขามของราชกุมารในราชสำนักปตาตลีบุตรทั่วไปความอาภัพของแม่บางทีก็พลอยเป็นมรดกตกทอดมาถึงลูกด้วยจะเป็นเพราะอะไรดูไม่แจ่มแจ้งนัก ที่พระเจ้าพินทุสารไม่สู้จะโปรดปราณเจ้าชายอโศกเสียเลยมีกรณีพิพาทครั้งใดดูเหมือนชน น, นีจะต้องเสียน้ำตาและเจ้าชายอโศกจะต้องอุทิศพระองค์ให้แก่รอยไหวเพื่อถ่ายถอนความผิดในเรื่องที่เกิดขึ้นเสมอมาเช่นวันหนึ่งเงาแดดทอดยาวไปทางตะวันออกมากแล้วราชกุมารหลายองค์กำลังเล่นน้าสนุกสนานกันอยู่ที่สระว่ายน้า ในบริเวณพระบรมหาราชวังมีการแข่งขันว่ายน้ำกันขึ้นเจ้าชายอโศกได้ชัยชนะแก่พราชกุมารทุกพระองค์เจ้าชายสุสิมาโอรสแห่งพระมเหสีใหญ่ประทับยือนอยู่ริมสระเกิดจิตริศยาขึ้นปรารถนาจะปราบอโศกให้ราชกุมารอื่นๆเห็นฝีมือไว้จึงกล่าวชวนขึ้นว่าอโศกลองว่ายน้ำแข่งกับเราไหม หมอมฉันไม่กล้าแข่งกับเจ้าพี่อโศกทูลอย่างนอบน้อมเธนาสุสีมะขยันขยอบางทีเธออาชนะเราด้วยก็ได้อย่าเลยเจ้าพี่หมอมชั้นเหนื่อยแล้วอโศกคงยืนกรานความคิดเดิมแต่สุสีมะคงขยันขยออย่างไม่หยุดหย่อนทั้งเยื้หยันและท้าทายอยู่ในที ประกอบกับเสียงเรียกร้องจากราชกุมารอื่นๆอโศกจึงตอบตกลงการแข่งขันว่ายน้ำระหว่างอาโศกและสุสีมะดำเนินไปอย่างตื่นเต้นยิ่งนักเสียงโห่ร้องจากโอดของเจ้าชายน้อ ย, อยมีอยู่เป็นระยะระยะเสียงสนับสนุนมีทั้งสองฝ่ายแต่ส่วนมากสนับสนุนฝ่ายเจ้าชายสุสีมะราชกุมารเหล่านั้นทราบว่าผู้รับ รัชบั ล, ลังปตาตลีบุตรจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากสุสีมาเชตโอรสซึ่งประสูตรจากอักครัมมิเหสีความโน้มเอียงในการฝากเนื้อฝากตัวจึงมีมาทางสุสีมามากกว่าทางอโศกเป็นธรรมดาผู้ที่ออกเสียงสนับสนุนเจ้าชายอโศกอย่างแข็งแรงก็มีอยู่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเขาคือวีตโศ พระอนุชาร่วมคับโพธอนั่นเองในระยะแรกดูเหมือนอโศกจะสู้ไม่ได้แต่ตอนไหว้กลับมาสู่หลักชัยนั่นเองอโศกพุ่งองค์เพียงสองสามครั้งเท่านั้นก็ล้ำหน้าเจ้าชายสุสิมะมาเกินช่วงตัววีตาโศกประพระหัตแสดงความชื่นชมอย่างเหลือลน้น เรายัางเตรียมตัวไม่พร้อมสุสีมาพูดขึ้นจากสระน้ำลองอีกครั้งหน้าอาโศกการว่ายน้ำครั้งที่สองดำเนินไปอย่างเก่าอาโศกก็เอาชัยชนะได้อีกคราวนี้สุสีมาพระพักบึง้งแสดงอาการไม่พอพระทยัยพระคนอายพระตนเป็นผู้ชักชวนแข่งขัน ท, ทั้งทั้งที่เขาบอกว่าเหนื่อยแล้ววีตะโศกยังไร้เดียงสาอยู่มากจึงพูดตามระษาซื่อว่า ถึงจะแข่งอีกสักกี่ครั้งเจ้าพี่สุสีมาก็คงสู้เจ้าพี่อโศกไม่ได้แล้วทรงพระสวนอย่างพอพระทยัยความละอายวิ่งขึ้นจับความรู้สึกของสุสีมะอย่างมากนั้นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งทรงพราดหวังที่ตั้งพระทัยว่าจะกำราบอโศกให้ราชกุมารทั้งหลายเห็นฝีมือไวเมื่อทั้งสองประการมารวมกันจึงทำให้สุสีมะพี่โรธเหลือจะอดกลั้นได้ จึงเปล่งพระรุษวา่าดเป็นเชิงกระทบกระทั่งออกมาว่าก็ลูกหญิงช่างตัดผมจะเก่งสักเพียงใดเที่ยวจะเก่งอย่างไรก็ไม่พ้นความเป็นไพร่นี่ถ้าผู้ใหญ่ไม่เคยแย้มไพรหรือถือเอาปมด้อยของผู้อื่นมาเล่าให้เด็กฟังเล่นเป็นเรื่องสนุกแห่งตนแล้วเด็กจะพูดอย่างนี้เที่ยวหรือเคยกล่าวแล้ว อัธยาศัยแห่งอโศกนั้นไม่เคยรังแกใครก่อนแต่ใครมารังแกตนก็จะไม่ยอมให้รังแกเล่นตามสบายดังนั้นเลือดแห่งนักสู้จึงฉีดอย่างแรงวิ่งพรานไปทั่วกายทำให้ลืมตัวจึงกล่าวตอบโต้ออกไปว่าถึงแม้เราจะเป็นอะไรก็ตามแต่พ่อเราก็มีศักดิ์เสมอกันกับคนทั้งหลายที่อวดตัวว่าตระกูลสูงอันหนึ่ง ว่าโดยวิสัยของผู้เที่ยงธรรมเมื่อโกรธใครก็ควรจะพูดด่าเฉพาะคนนั้นไม่ควรก้าวกายไปถึงผู้ที่ไม่มีส่วนรู้เห็นซึ่งมีศักดิ์เสมอมารดาตน ช, ะชะัดๆเสมอมารดาตนสุสิมะพูดอย่างเย้ยหยันอโศกคิดดูให้ดีเถิดอุปมาว่านางกามาจับอยู่ที่ขอนไม้ท่อนเดียวกันกันกบนางพญาหง จะหลงเอาว่านางกาตัวนั้นมีสง่าราศีเสมอด้วยพญาหง่ยวฤกษกาก็คงเป็นกาหงก็คงเป็นหงอยู่นั่นเองเมื่อกาคงเป็นกาลูกของนางกานั้นจะเป็นหงไปได้หรือไฉนว่าแล้วก็หัวเราะก้องราชชุกมานบางองค์ก็พรอยหัวเราะไปด้วยอโศโกรธจนสุดจะหักห้ามได้ จึงพุ่งเข้าชกสุสีมะล้มคว่ำลงไปสุสีมะถูกชกเข้าคางพอดีรู้สึกมึนงงอยู่ครู่หนึ่งพอทรงตัวได้ก็พุ่งเข้าหาอาโศกซึ่งยืนระหว่างตนเต็มที่อยู่แล้วหมวยระหว่างลูกกากับลูกโหมก็เกิดขึ้นอย่างสุดเวียงนะริมสะน้ํานั้นวีตโศกเห็นเรื่องบานปลายรุนแรงไปเช่นนั้นก็ตกใจตามประษาเด็ก จึงรีบเข้าไปเฝ้านางวิมังสาเทวีมานดาตนดึงชายสาหรีของพระมานดาเดินบ้างวิ่งบ้างมาริมสระว่ายน้าพระนางเห็นอโศกบุตรตัวกำลังพริกคว่มพริกหงายอยู่กับเจ้าชายสุสีมะทรงตกพระทัยยิ่งนักรีบเข้ากันออกจากกันเจ้าชายสุสีมะนั้นรู้สึกอยู่ว่าตนเองเป็นรองกำลังของอโศก ก็ยินดีอยู่ที่มีผู้มาห้ามถึงกระนั้นก็ยังตรัสอย่างอวดดีว่าแม่จะมาช่วยลูกด้วยคนหรือและจะได้เห็นดีกันไม่เลยลูกรักนางวิมังสาเทวีตรัสกับเจ้าชายสุสิมาลูกสุสิมาเองแม่ก็ไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นคิดเหมือนลูกตัวมีเรื่องอะไรหรือจึงชคต่อยกันอย่างนี้อยา่าอย่าเลยอย่ามาเรียกเขา เขาไม่ได้เป็นลูกตัวสุสีมาพูดเสียงกระด้างโน่นลูกตัวยืนอยู่โน่นว่าแล้วก็ทรงชี้ไปที่เจ้าชายอาโศกวิมังสาเทวีหันมาทางอาโศกร้อมด้วยถามว่ามีเรื่องอะไรกันอโศกทําไมถึงลงหมัดลงมวยกันอย่างนี้มีเรื่องอะไรค่อยพูดค่อยจากกันเราเป็นพี่น้องกันเราเป็นน้องทําไมไปชกกับพี่ ขอโทษพี่เขาเสียแม้อโศกจะเคารพมารดาตนอย่างยิ่งแต่เมื่อตรองดูว่าถ้าเล่าไปตามจริงจะเป็นเรื่องกระทบกระเทือนใจมารดามากจึงอุบนิ่งไว้ไม่ยอมเปิดเผยพระราชเทวีเห็นว่าถามไปก็ไม่ได้ความอะไรแจมแจ้ง จึงชวนพระโอรสทั้งสองกลับพระตำหนักแต่เรื่องได้ลุกลามไปใหญ่โตเมื่อประมาณดาของเจ้าชายสุสีมะทรงทราบโดยที่สุสุมาเป็นผู้เล่าความถวายเองพระนางได้นำเรื่องทูลพระเจ้าพินทุสารว่าอโศกกําเริบเสบสารถึงกลับกล้าทำร้ายโอรสของพระนางราตรีนั้นพระเจ้าพินทุสารรับสั่งให้พระนางวิมังสาเทวีเข้าเฝ้า และให้นำอโศกกุมารไปด้วยเมื่อพระนางวิมังสาเทวีไปถึงนั้นพระอัครมเหสีและเจ้าชายสุสิมะอยู่ที่เฝ้าแล้วพระเจ้าพินทุสารมองดูสองแม่ลูกด้วยความรู้สึกไม่สบายพระทยัยสังเกตจากพระพักและพระเนตรเมื่อทั้งสองถวายบังคมแล้วพระเจ้าพินทุสารจึงตรัสขึ้นว่าวิมังสา ทำไมปล่อยลูกให้ไปเที่ยวรังแกคนอื่นเขามีลูกทำไมไม่เลี้ยงลูกให้อยู่ในระเบียบเรื่องอะไรเพคะพระนางวิมังสาเทวีทูลถามแม้จะพอทราบปเป็นเลาาแล้วว่าหมายถึงเรื่องอะไรแต่ทูลถามเพื่อให้แน่พระไทยมากขึ้นเรื่องอะไรพระเจ้าพินทุสารทวนคำก็ไปยืนอำนวยการให้เด็กชกต่อยกันเองไม่ใช่หรือ หาไม่ได้เสด็จพ่ออโศกทูลแทนพระมารดาเสด็จแม่ไปเห็นหม่อมชันและเจ้าพี่สุสีมะชกการจึงห้ามเราทั้งสองเสด็จแม่ไม่ได้ส่งเสริมเรื่องนี้อโศกเจ้าแก้แทนแม่ของเจ้าหรือพระเจ้าพินทุสารผลึงพระเนตรใส่อโศกแต่อโศกไม่ได้ครั่นคล้ามเลยมิได้แก้แทนพยาค่ะแต่เรื่องจริงเป็นอย่างนั้น เรื่องจริงเป็นอย่างไรพระเจ้าพินทุสารตรัสถามอาโศกได้เล่าเรื่องถวายพระเจ้าพินทุสารเล่าตามความเป็นจริงเจ้าชายสุสิมะพูดอย่างไรตนเองพูดอย่างไรได้เล่าหมดมีได้ปิดบังอำพรางดวงพักของพระเจ้าพินทุสารยิ่งเครียดมากขึ้นเมื่ออโศกเล่าจบพระองค์ตรัสว่าแต่ถึงอย่างไรเจ้าก็เป็นน้องเขาเจ้าต้องเคารพพี่เจ้าต้อง อดทนเขาพูดเพียงเท่านี้ทำไมเจ้าจึงใช้กำลังทำร้ายเขาชกเขาก่อนใครๆก็เห็นพระอัครมเหสีและเจ้าชายสุสิมะซ่อนความรู้สึกพอพระทัยไว้ในหน้าพระนางวิมังสาเทวีคงประทับเฉยเหมือนปลงตกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าอย่างไรอโศกก็ต้องได้รับโทษอย่างที่เคยมาท่านใดนั้นโดยที่ไม่มีใครคาดคิด อโศคลุกขึ้นยืนอย่างปราศจากความสะทกสะท้านแล้วกล่าวว่าทำไมจะต้องให้หม่อมชั้นต้องอดทนเพียงฝ่ายเดียวทำไมจะต้องให้หม่อมชั้นทำความเคารพพี่ฝ่ายเดียวโดยไม่ต้องคำนึงถึงผู้เป็นพี่ได้วางตนที่น่าเคารพหรือไม่ทำไมจึงไม่พิจารณาดูว่าผู้เป็นพี่ให้ความคุ้มครองและเมตตากรุณาต่อน้องเท่าที่ควรแล้วหรือยังหม่อมชั้นยอมรับว่า หม่อมชันทำร้ายเจ้าพี่สุสีมาก่อนแต่เรื่องที่เจ้าพี่สุสีมากล่าวคำล่วงเกินหม่อมชั้นพูดไปถึงเสด็จแม่ยังเหยียดยามทำไมจึงไม่ได้พิจารณากันอโศกยาพอแล้วเสียงจากพระนางวิมังสาเทวีพระนางตรัส ด, ด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกว่าประการใดเสด็จแม่อโศกพูดต่อไป หมอมชั้นขอพูดให้หมดสิน้นเมื่อพูดเสร็จแล้วเสด็จพ่อจะได้นำหมอมชั้นไปประหารชีวิตก็จะยอมอโศกหยุดนิดนึงแล้วกล่าวต่อไปว่าถ้าเจ้าพี่สุสิมาก่าวเยียดยามหมอมชั้นโดยเฉพาะมิได้พลาดพิงถึงเสด็จแม่หมอมชั้นก็พอจะทนได้คิดซึ่งว่าเขาเป็นพี่หมอมชั้นเป็นน้องแต่เมื่อกล่าวล่วงเกินถึงเสด็จแม่หมอมชันก็ทนไม่ได้ เจ้าพี่สุสีมะหาความเคารพยำเกรงไม่ได้แม้ในเสด็จแม่ของหม่อมชันซึ่งเป็นเหมือนมารดาของตนเองเพราะอยู่ในฐานะเป็นพระราชะเทวีของเสด็จพ่อเมื่อเป็นดังนี้ทำไมจะต้องมาบังคับว่าหม่อมชันจะต้องเคารพเจ้าพี่สุสีมะหรือไม่จริงที่สุสีมะลูกเราพูดแม่ของเจ้าไม่เคยเป็นช่างแต่งผมมาก่อนหรือ พระอคละไม่เหสีตรัสอย่างเยาะเย้ยหยุดเงียบพระเจ้าพินทุสารตวาดลั่นเราจะจัดการกับอโศกเองโอหังมากนักต่อหน้าเรายังกล้าพูดถึงขนาดนี้ตรัสแล้วกระชากหวายจากข้างที่ประทับซึ่งเตรียมไว้แล้วลงเข้าเคียนอโศกได้แรงโทสะซึ่งพรุ่งขึ้นในขณะนั้น แจะเจ็บปวดรวดร้าวปานใดแต่อโศกก็กัดฟันทนไว้ไม่ร้องไห้ไม่วิงวอนขอความกรุณาจากใครพระเจ้าพินทุสารเมื่อเคียนพอพระไทยแล้วและทรงเหนื่อยหอบจึงทิ้งไหวพร้อมด้วยตรัสว่าต่อไปภายหน้าอย่าได้โอหังอวดดีอย่างนี้อีกพระนางวิมังสาเทวีพาอโศกกลับสู่พระตำหนักแห่งพระนาง ทรงรู้สึกสงสารโอรสยังจับจิตเมื่อถึงห้องบรรทมก็ทรงกันแสงน้ำประเนตรั่างปลูออกมาเพราะความรู้สึกน้อยพระทัยและเจ็บปวดรวดร้าวสุดจะพานานาได้ทรงใช้ยาทารอยแผลให้อโศกพระโอษฐ์ก็พร่ำสอนบุตรตนมิได้หยุดย่อนอย่านะลูกนะต่อไปอย่าได้เถียงเสด็จพ่ออีกมีอะไรก็หวานอมขมกลืนเอาไว อย่าได้ทะเลาะวิวาทกับสุสีมะอีกทุกครั้งที่มีเรื่องเกิดขึ้นลูกจะต้องเป็นฝ่ายผิดเสมอขอให้จำเรื่องเหล่านี้เป็นบทเรียนแห่งชีวิตแต่ลูกพูดเพื่อความยุติธรรมนะแม่อโศกพูดขณะที่มองดูแผลเป็นทางยาวที่โคนขาด้านหลังของตนความยุติธรรมลูกพูดว่าความยุติธรรมหรือพระมารดาตรัสพระกระแสเสียงละห้อย เมื่อฝ่ายหนึ่งเป็นที่รักส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเป็นที่ชงังลูกจะแสวงหาความยุติธรรมได้จากที่ไหนถ้าลูกเป็นใหญ่ในแผ่นดินลูกจะให้ความยุติธรรมแก่ทุกคนไม่เลือกว่าผู้นั้นจะเป็นใครอโศกทูลพระมารดายอย่างแข็งขันแต่โอกาสเช่นนั้นจะมาถึงลูกหรือไม่แน่นะเสด็จแม่เหตุการณ์ภายหน้าเป็นของไม่แน่นอนจริงสิ เหตุการ์ภายหน้าเป็นของไม่แน่นอนพระนางทรงดำริลูกเราอาจดีกว่านี้หรือเลวกว่านี้ก็ได้พระนางเพียงแต่ทรงดำริเท่านั้นมิได้ตรัสคานี้กับเจ้าชายอาโศกเลยเกรงจะเป็นที่กระทบกระเทือนใจลูกคืนนั้นอโศกราชกุมารทรงใช้ความคิดอย่างหนักบัดนี้พระชนษาสิบสีแล้ว พอจะรู้จักว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นความยุติธรรมและอะไรเป็นความอายุติธรรมการได้รับอะไรไว้ในวัยเด็กนั้นเป็นเรื่องประทับใจมากและเป็นการปลูกนิสัยขั้นพื้นฐานให้เด็กอีกด้วยโดยเฉพาะความไม่ยุติธรรมจะเป็นสิ่งตรึงตราอยู่ในความรู้สึกเด็กชั่วชีวิตเด็กที่ไม่ได้รับการเอาใจใส่เลี้ยงดูเท่าที่ควร ถูกรังเกียดเหยียดยามถูกลงโทษโดยที่ตนไม่ได้มีความผิดจะกลายเป็นคนไม่รู้จักเกรงกลัวใครมองโลกในแง่ร้ายมากกว่าในแงด่ดีทั้งนี้เพราะมองไม่เห็นว่าใครจะเป็นผู้หวังดีกับตนจริงดังนั้นตนจึงไม่จำเป็นที่จะทำอะไรเพื่อให้ถูกใจใครเพียงถูกใจตัวตนเองเท่านั้นพอแล้วแต่ก็มีผลดีบางประการ คือมีความโน้มเอียงในทางช่วยเหลือตนเองมากกว่าหวังพึ่งความช่วยเหลือจากผู้อื่นคนที่ถูกทอดทิ้งให้อ้างว้างว้าเหวเมื่อวัยเด็กไม่ได้รับความรักความอบอุ่นจากใครไม่มีใครให้ความมั่นใจว่าจะเป็นที่พักพิงได้เมื่อโตอขึ้นมักจะมีความโน้มเอียงในทางคบคนไม่เลือกหน้าคอยเอาอกเอาใจคนนั้นคนนี้ถ้าเป็นชายก็มีลักษณะ ที่ถ้ามองไม่ดีแล้วก็ดูเหมือนจะค่อนข้างเจ้าชู้แต่ความจริงไม่ใช่ถ้าเป็นหญิงก็จะคบผู้ชายได้ทั่วๆไปคอยนึกระแวงหวาดเกรงว่าคนอื่นจะไม่ชอบตนทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการถูกทอดทิ้งเมื่อวัยเด็กไม่มีใครเป็นแหล่งพักพิงได้จริงจังเขาไม่แน่ใจว่าใครจะรักเขาจริงเขาจึงต้องสแสวงหาความรักจากคนทั่วไป คนที่ถูกบังคับขู่เข็นมาแต่วัยเด็กทำอะไรผิดน้อยก็เหมือนผิดมากคอยถูกดุถูกด่าอยู่ร่ำไปโตขึ้นจะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองคอยระแวงอยู่เสมอว่าตนจะทำผิดไม่ค่อยกล้าตัดสินใจอะไรด้วยตนเองแม้เรื่องเล็กน้อยก็ต้องคอยถามความเห็นของผู้อื่นเสียก่อนส่วนเด็กที่เคยถูกตามใจมากเกินไป โตขึ้นจะเป็นคนเอาแต่ใจตัวขาดความรอบครอบระมัดระวังคอยแสวงหาจุดเด่นจากการทำอะไรให้แปลกประหลาดจากคนทั้งหลายเขาทำกันพื้นฐานแห่งนิสัยของคนส่วนใหญ่ถูกปลูกฝังลงเมื่ออยู่ในวัยเด็กมิใช่น้อยเหมือนการเขียนลวดลายลงบนภาชนะที่ได้ทำขึ้นใหม่ย่อมจะยั่งยืนมิได้ลบเลือนไปโดยง่าย ด้วยเหตุนี้ผู้ใหญ่จึงมีส่วนรับผิดชอบอยู่มากในการสร้างนิสัยเยาวชนให้เป็นคนอย่างไรเสียสละหรือเห็นแก่ตัวเป็นคนกระด้างหยาบคายหรืออ่อนโยนละมุนละไมมีนิสัยร่าเริงเปี่ยมด้วยความสุขหรือมีดวงหน้าและแววตาสองช้ยแต่ความเศร้าออกมาเป็นเนืองนิดอาศกราชกุมารได้รับลวดลายหลายแบบหลายสี ซึ่งถูกวาดลงในภาชนะคือดวงใจมาแต่ยาวลวดลายหนึ่งซึ่งงามมากที่พระมารดาเป็นผู้บรรจงเขียนให้นั่นคือความเห็นอกเห็นใจผู้น้อยความอดทนทนได้โดยไม่พูดและอีกสิ่งหนึ่งเหตุการณ์สอนให้นั่นคือความพยายามเพื่อบรรลุความเป็นใหญ่ในแผ่นดินเพื่อปกครองไพ่ฟ้าประชาชนโดยยุติธรรม